พอสมควรใครมีปัญหาสงสัยไหมสงสัยไหมมีครับท่านใดยอยากจะคงแยก<ม>แย ก, แยกออกนะอรย์อันไหนข่าวอันไหนห อ, อนะครับสกุลครับอันไหนปลาละอันไหนยกมือ น, นิดนะครับยกมือ น, นิดนะครับอขอบคุณครับสกุลครับท่านใดยอยากจะเรียนถามอาจารย์เชิญนะครับเก็บคำถามไว้นะครับ วันนี้เราได้ธรรมะนอกจากที่มีสาระอย่างดีนะครับก็ได้ความบันเทิงทางธรรมจากท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับ <c oughs> มีทั้งกลิ่นหอมกลิ่นปะล ะ, ะวะ่า ก, การวัฒนธรครับครับระสอบอทราบมาว่าการเจริญสติกเนี่ยครับมีทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจําวันเคยได้ยินมาว่าการเจริญสติีในรูปแบบอ่ะครับเราควรจะไม่ควรจะเลือกหลายแบบ นะครับแล้วก็คําถามคือต้องการสอบถามว่าอย่างตัวกับผมเองะครับเราจะทราบเรื่องไรว่าเราควรจะดูแบบไหนหรือว่าควรจะดูกายดูจิตคืออดีตที่ผ่านมาคือดูจิตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเหม่อเคลิมไปเรื่อยๆดูกายกลับมาดูกายเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเพ่งนะครับตอนเนี้ยมันก็อยู่่ช่วงสับสนสับสนอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราจะมีจริตสองอย่าง ที่จะเอามาใช้เนี่ย น, นะคือพวกที่คิดมากกับพวกที่มีตัณหามากตัณหาคือมีความชอบความอยากแล้วก็แอดที่ชอบเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆอยู่กับสิ่งที่ชอบนั้นได้นานๆเรียกมีจัดตัณหาจริตส่วนพวกอีกพวกหนึ่งคือพวกที่คิดมากอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานคิดอยู่เรื่อยๆคิดฟุ้งซ่านส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านมีเป็น2แบบ แบบแรกพวกตัณหาจริตเหมาะที่จะเจริญกายกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาพวกที่สองทิตจริตคือพวกคิดมากเหมาะที่จะดูจิตและดูธรรมจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานี่โดยทฤษฎีนะแต่โดยหลักปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้จะมีแค่อย่างเดียว คนส่วนใหญ่มักจะมีปนๆกันเพราะฉะนั้นกายเด่นในขณะไหนให้รู้กายจิตเด่นขณะไหนให้รู้จิตสนับโยมนะกายเด่นขณะไหนให้รู้กายพยักหน้างี้ให้รู้รู้รู้ไหมว่ากายขยับมือยกมานี่รู้ไหมดูไม่ทันครับถ้าดูจิตพอดูได้ไหม ขณะนี้จิตเป็นยังไงอไลอยออกไปดูดูที่เด่นๆเอาตัวให้มีวิหารธรรมไว้ก่อนให้มีวิหารธรรมไว้ก่อนคือตอนนี้ใช้อะไรเป็นวิหารธรรมมีไหมลมหายใจมีไหมมีค่อนข้างสลับสับสนมากเลยทั้ง ล, ลมหายใจทั้งเครื่อนกายให้เอามีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งก่อนนะ เช่นพุโทโธหรือดูลมหายใจเลือกเอาที่ที่จิตมันชอบหรือที่เราชอบก็ได้เอาเอาสักอย่างนึงก่อนแล้วพอมันเคลื่อนไปจากสิ่งนั้นเช่นดูลมหายใจลมเข้าลมออกให้ดูให้เป็นธรรมชาตินะพอมันออกจากลมพือเผลอไม่รู้ลมให้รู้ทันความเคลื่อนไหวว่ามันเผลอไปเนี่ยจิตมันเผลอไปเผลอไปเนี่ย ทีแรกอาจจะไม่ต้องไปแยกแยะ ก, ก็ได้ว่าเผลอไปทําอะไรรู้ว่ามันเผลอไปเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้เผลอไปจนไปบ่อยๆมาเริ่มแยกได้มันเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นเออเมื่อกี้เผลอไปโกรธเมื่อกี้เผลอไปฟุ้งซ่านทั่วๆไปเมื่อกี้เผลอไปแบบหดหูท้อถอยเมื่อกี้เผลอไปมีราคะปรุงแต่งแบบราคะความเผลอไปขณะนั้นดูได้ว่า มันลืมที่อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นที่อยู่ของเราของจิตถ้ามันเผลอออกไปให้รู้ทำเราเผลอพอรู้ทันกลับมาที่ที่อยู่อะแรกๆอาจจะต้องออกแรงสักหน่อยนะออกแรงสักหน่อยให้มันเกินจริงหน่อยๆนะต้องออกแรงไปบ้างแต่พอมันทาไปบ่อยๆนะทาไปบ่อยๆเหมือนเข้ามาอยู่ในบ้านบ่อยๆบ้านนี้จะรู้สึกหน้าอยู่ ท, ทุกคนคงมีบ้านนะนะมีห้องส่วนตัวมีที่อยู่ส่วนตัวถ้าไม่ค่อยได้เข้าบ้านไม่ค่อยได้เข้าห้องไม่ไทําความสะอาดบ้านไม่ค่อยทำความสะอาดห้องห้องไม่น่าอยู่แล้วเข้าไปก็รีบออก mm> ต้องเข้าไปในห้องอยู่แล้วทําความสะอาดแล้วอยู่จัดห้องให้มันน่าอยู่<_ mm> <_ mm> เหมือนกันเที่อยู่ของใจไม่ใช่ว่ามาอยู่แป๊บๆโอ๊ยฉันไม่เหมาะกับตรงนี้ ยังไม่พอยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะให้ไปอยู่บ่อยๆก่อนทําความสะอาดห้องก็เหมือนกับว่าไปอยู่ตรงนี้บ่อยๆทําให้มันเคยชินก่อนอยู่แล้วห้ามออกไหมไม่ห้ามนะเพราะจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกพอมันออกไปให้รู้ทันว่าออกถ้าออกไปทํางานออกไปทํางานที่มีประโยชน์และมีจำเป็นต้องทําก็ทําไปเช่นเป็นนักเรียนต้องออกไปเรียนหนังสือจิตต้องออกไปเรียนหนังสือไม่จํา ฉันไม่สนใจฉันจะอยู่กับลมเรียนไม่รู้เรื่องใช่หมก็ต้องออกไปแต่ถ้ามันออกไปเรียนหนังสือแล้วขนาดที่เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือให้ตอนเรียนนั้นสิ่งที่ครูสอนเป็นที่อยู่ของจิตพอออกจากเรื่องที่กำลังเรียนหรือถ้าสมมุติว่ากำลังทำงานอยู่สิ่งงานนั้นเป็นที่อยู่ของจิตถ้ามันออกจากการทางานให้รู้ทันว่ามันเผลอไปมันออกจากที่อยู่ ตอนที่เรียนถ้าออกจากครูนั่นคือออกจากที่อยู่เข้าใจัหยให้รู้ฐานว่าออกให้มันมีที่อยู่ของมันในยามปกติถ้าทำงานหรือถ้าเรียนให้การงานและการเรียนนั้นเป็นที่อยู่ของจิตแต่ถ้าจะมาฝึกในรูปแบบคือนอกเวลางานและนอกเวลาเรียนนะมามีเวลาว่างแล้วให้มีที่อยู่ประจาของเราที่อยู่ประจาของเราอาจจะเป็นลมหายใจหรือจะเป็นพุโทโธก็ได้ พุทโธพุทโธพอเผลอไปให้รู้ทันจิตที่เผลอและกลับมาที่อยู่ใหม่พุทโธพุทโธเผลอไปให้รู้ทันที่เผลอและกลับมาใหม่รู้ไปรู้ไปจะเริ่มรู้รายละเอียดมากขึ้นที่แรกรู้ว่าเผลออย่างเดียวเริ่มรู้มากขึ้นว่าเป็นมีราคะมีโทสะมีโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหูแม้แต่ในราคะหรือในโทสะเองก็มีเลเวลมีระดับของมันมีโกรธมากโกรธน้อยมีขุนขุนมีหมองหมองหน่อยๆอะไรอย่างนี้ เห็นเห็นระดับก็มันบ่อยๆสิ่งที่เราต้องต้องทําคือสร้างที่อยู่ก่อนสร้างที่อยู่แล้วเห็นแล้วคอยเห็นที่มันออกจากที่อยู่เอางนี้ก่อนนะครับจะเอาไปปฏิบัติขอบคุณครับคือต้องสร้างที่อยู่ให้กับจิตก่อนไม่งั้นแล้วเหมือนกับสเปะสปะเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้า จะเห็นเมฆมันเคลื่อนไหวได้ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นจุดหมายเป็นจุดมาร์กอะเช่นมีชายคานิ่งนิ่งอยู่อันนึงนะแล้วพอเห็นเมฆมันเคลืนเราจะเห็นว่าเมฆมันเคลื่อนได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้ามองฟ้าแง้นไปเลยไม่มีอะไรเทียบเลยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเมฆก็คือเมฆอะอยู่อย่างนั้นอะนะเรามีที่นิ่งนิ่งให้มันให้จิตมันอยู่สักที่หนึ่งก่อนพอจิตมันเคลื่อนเราจะเห็นได้ชัดมากขึ้น ลองดูนะลองดูก็ได้เนี่ยเสานิ่งๆเนี่ยลมถ้าไม่มีเสาเอ้ยต้นไม้ต้นไผ่ถ้าไม่มีเสาเทียบเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เลยว่ามันกําลังไหวอยู่จิตเหมือนกันจิตนี่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดถ้าไม่มีที่อยู่คอยเทียบเนี่ยเราจะรู้สึกไม่รู้เรื่องเลยจิตเป็นยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามีตัวนิ่งๆเป็นที่อยู่ให้มันเน่ย คือลมหายใจหรือพุทโธอย่างเงี้ยนะพราะมันเคลื่อนไปเรารู้ทันเคลื่อนไปรู้ทันไม่ได้มีที่อยู่เพื่อให้มันนิ่งเข้าใจ ไ, ไมไม่ได้มีที่อยู่เพื่อจับขังมันแต่ให้รู้ทันเวลามันเคลื่อนไปไม่ห้ามไม่ห้ามจิตแต่ให้มีที่อยู่อีกไหมอนุญาตถามครับเอออยากให้อาจารย์สอนวิธี จิตดูจิตฮะอย่างเช่นจิตกําลังดูดูลมดูเวทนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีจิตอีกดวงไปดูจิตที่กําลังดูอยู่อยากให้อาจารย์สอนวิธีดูครับวิธีสร้างมีจิตอีกดวงขึ้นมาเนี่ยจิตมันขณะที่ดูเนี่ยนะมันเป็นจิตคนละดวงอยู่แล้วเพราะจิตเกิดดับอยู่เสมอจิตที่ขณะที่มีอกุศลจิตนี่มันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมจิตดวงที่เกิดแล้วดับจิตนี้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับเรี้ยงไปเรื่อยๆ จิตที่มีอกุศลเนี่ยคือจิตที่มันส่งออกไปรู้ข้างนอกพร้อมกับเกิดสิ่งที่ประกอบจิตคือมีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างจิตส่วนใหญ่ที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันจิตที่ไปดูข้างนอกไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตมันต้องใช้ความเฉลียวเฉลียวมาดูสักนิดหนึงว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันต้อง แรกๆจะต้องอะไรอ่ะออกแรงบ้างออกแรงดูไม่ช่อยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เหมือนกับว่าต้องหันมาดูต้องออกแรงหันมาดูว่าเมื่อกี้นี่จิตมีอะไรเกิดขึ้ น, นกับจิตลักษณะที่มันเป็นก็คือว่าแรกๆจะต้องดูสิ่งที่มันค่อนข้างจะหยาบและรุนแรงเช่นโกรธหนักๆจึงจะเห็นว่าเฮ้ยเมื่อกี้โกรธ หรือมีราคะมากๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโกรธโกรธเนี่ยจะดูง่ายวันนี้จึงได้พูดถึงเรื่องโกรธมากกว่าเรื่องอื่นมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ง่ายความจะความก็จะอาตมานะรู้สึกว่าโกรธเนี่ยดูง่ายดูง่ายและเป็นการดูที่อะไรอ่ะไม่จิตมันอยากดูอยู่แล้วเพราะมันไม่ชอบจิตมันไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นราคะเนี่ยมันเพลินมันเพลินแล้วมันจะไม่ค่อยอยากดูมันจะปรุงไปเรื่อยมันไม่ค่อยจะเหลียวดูมันมันยังพอใจแต่ไอโทสะเนี่ยมันร้อนมันถูกทำลายอยู่อยากจะพ้นตรงนี้แทนที่จะหาทางพ้นด้วยการพอกพูนความโกรธหรือโทสะคือไม่พอใจจิตดวงนี้หันไปดูมันนิดเดียวตั้นนันเองว่าโอ้ยเมื่อกี้นี่มันมีความโกรธ เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงเมื่อกี้นี้เท่านั้นเองแค่เหลวมันมันพูดยากนะมันเป็นนามธรรมาะนะเหมือนเหลยวไปดูเหมือนอันนี้เป็นจิตดวงที่มีความโกรธ ด, ดับไปแล้วดวงที่เกิดขึ้นแทนที่จะไปดูไอ้หน้าคนที่เราโกรธอยู่หรือเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจหันมาดูจิตหรือหรือถ้าคนที่ที่ปัญญามากมาก ที่ปัญญามากๆให้ดูสุขทุกข์หรือเฉยเฉยก็ได้สุขทุกข์เฉยเฉยนี่ก็เป็นเรื่องนามธรรมาอีกแบบหนึ่งเรื่องนามธรรมาอีกแบบหนึ่งที่ถ้าใครมีปัญญาพอดูแล้วเนีกลายเป็นทางลัดลัดมากกว่าดูจิตอีกบางทีไปดูจิตแล้วอาจจะไม่เห็นให้ดูความ ความสุขที่เกิดขึ้นในใจความทุกข์ความสุขหรือเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเวลามองแล้วสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆสุขทุกข์เฉยเนี่ยเห็นอันนี้จังได้ง่ายกว่าด้วยเห็นชัดพระอินทร์เคยมาถามพระพุทธเจ้าเอาโดยย่อเลยลัดๆเลยทำอย่างไรจะให้เป็นพระอระหรันต์ เอากันเลยนะทําไมเป็นพระอรหันต์เอายอดๆแล้วรัดคือพระอินทร์เนี่ยรีบรีบเทวดากําลังนัดกันสังสรรค์พระอินทร์จะไปงานสังสรรค์แล้วเกิดเอะใจว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงมันจะเป็นพระอรหันต์ได้เร็วๆสงสัยแล้วถ้าจะไปงานเลี้ยงเลี้ยงเทวดาได้นะกลัวจะลืมคําถาม คำถามเนี่ยรู้สึกมีค่ามากพระอินรู้สึกมีค่ามากปัญา ก, ก็นั้นเลยพว่าแกไปก่อนเดี๋ยวท่านจะลงไปเฝ้าพุทธเจ้ามาไปถามพระพุทธเจ้าลงมาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกวิธีย่อยๆคือรู้เวทนา <c oughs> รู้เวทนาเนี่ยจะเห็นความเกิดดับได้ง่ายเห็นมันเป็นอเนกเจนได้ง่ายว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเเดี๋ยวก็สุขเดี๋ย่ทุกข์เดี๋ย่เฉยเ <c oughs> บอกสั้นๆเลยนะพระอิน์ ฟังเสร็จสาธุกลับขึ้นไปไปกินเลี้ยงมีฟ้อนรำขับร้องบนบนเทวดานั่นแหละพระโมคคลาอยู่กุฏิข้างๆได้ยินเสียงสาธุของของพระอิน <c oughs> ไม่ได้ยินคำตอบพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนยนะเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนสมมติในศาลานี้ นั่งท้ายสุดคือที่คนโน้นเนี่ยนะเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดังไปพอดีคนโน้นฟังชัดพอดีแล้วหลุดจากนั้นไม่มีเสียงของเราเนียต้องเครื่องกระจายเสียงใช่ไหมต้องมีลําโพงไปติดเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยกระจายไปทั่วเลยแม้ผู้ที่ฟังอยู่ขอบจั ก, กรวาลเสียงนั้นก็จะไปถึงคนนั้นที่ฟังได้แต่คราวนั้นมีพระอินทร์องเดียวเสียงไปแค่พระอินทร์พระโมคคลลาอยู่ห้องข้างๆ น, น, นะนะ ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงของพระอินที่สาธุพระโมคะลาเอ๊ะสาธุอะไรนจะไปถามพูรเจ้าก็ใช่ที่เหาะตามพระอินไปพระอินพอฟังพูรเจ้าเสร็จเลยนะไปม้วนอยู่กับนางฟ้าฟ้อนลำขับร้องเลยนะพอเห็นพร ะ, พระโมฆลามาแต่ไกลนะเฮ้ยหยุดหยุดยุยุด ย, ด ย, ด ย, ดยดุทุกคนหยุดพระมาพระมา เหมือนเวลาเรากาลังคาราโอเกะอยู่ในบ้านเลยนะพอพระเดินเข้าบ้านก็ต้องหยุดใช่ไหมอันนี้แบบเดียวกันนะพระอินทร์บอกสั่งหยุดหยุดหยุดพระมาพระอินพระอินก็ต้อนรับพระโมคคลาพระโมคคลาถามว่าเมื่อกี้พระองค์ไปถามปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่พระองค์ตอบว่าอถามว่าอะไระถามอย่างนี้พระเจ้าตอบว่าอะไรเออลืมไปแล้ว ดูสิไอตอนจะไปถามแล้วก็กวนลืมคำถามนะพอถามเสร็จพอพระพุทธเจา้าตอบมาลืมคำตอบ ม, ม, มัวแต่มาม่วนกับนางฟ้าพระอินเลยแก้เกลียวด้วยกันว่าไม่เป็นไรมันลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรไหนๆท่านมาแล้วมาชมปราสาทเวชยันเนี่ยปราสาทนี่นะสร้างเมื่อตอนที่ชนะอสูรชนะสงครามอสูรซึ่งเป็น การชนะครั้งยิ่งใหญ่ของของข้าพเจ้าเลยนนเนี่ยดูสี่ภาษาเนี่ยยิ่งใหญ่มโหลานมีห้องนางฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยพวกนางฟ้านี่แอบนะอายอายแต่ก็อยากดูแอบแล้วก็แง้มประตูมาครึ่งหนึ่งแอบดูพระ <c ười> คืออายว่ามาฟ้อนรำให้พระอินดูเหมือนคล้ายๆอะไรมามาลื่นเลงมันเทิงใจทั้งๆที่พระอินเนี่ยเพิ่งฟังธรรมะม า, มา ต่พระอินไม่อายนะนางฟ้าอายไปแอบพระอินท์เนี่ยแสดงความชื่นชมประสาทตัวเองนะนําเที่ยวพระมกุลละพระอินทนี่ประมาทจังเลยนะพึ่งพึ่งฟังทำสดสดและร้อนมานี่ยังมาลื่นเลิศมาเทิงใจอยู่กับนางฟ้าแถมยังภูมิใจกับประสาทตัวเองต้องทําให้สลดใจสักหน่อยนะกระดิกนิ้วเท้าเขีย่ยเขี่ยประสาทนี่ตามาเขีย่ยไม่เห็นเถือนแน่น พระอินเขียนนิดเดียวปราสาทเวชยันที่ว่าใหญ่โตมโหฬารเนี่ย น, นะกระเทือนหวั่นไหวพระอินตกใจเฮ้ยปราสาทเข้มแข็งขนาดนี้มันหวั่นไหวได้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เลยสลดใจแล้วก็เลยนึกถึงคําตอบพระพุทธเจ้าได้อ๋อขอบคุณมากที่ให้ข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะไม่เที่ยงนึกได้แล้วพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้บอกว่าให้ดูเวทนา เวทนามีสุบมีทุกข eh ์มีเฉยเฉยดูอย่างเงี้ยจะเห็นไม่เที่ยงง่ายเห็นไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็จะคลายวางคลายวางก็จะหลุดพ้น <laughs> เห็นตามความเป็นจริงเห็นเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายวางหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าปหลุดพ้นแล้วเป็นลาดับลาดับอย่างนั้นพระโมคคลลาฟังแล้วก็กลับมา กราบปุถุเจ้าเนี่ยเมื่อกี้นี้ไปกระดิกนิ้วบนสวรรค์มาแล้วได้รับคําตอบอย่างนี้จากพระอินทร์เขาจํามาถูกหรือเปล่าพระอินทร์ขี้ลืมไม่แน่ใจมนถามพระเจ้าอีกอพระอินทร์ตอบไปนี้ถูกไหมอืมรับรองถูกเราเราตอบคําถามพระอินทร์อย่างนั้นจริงลองดูถ้าดูจิตแล้วรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะไม่ถูกจริต ด, ดูเบทนาก็ได้ เวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเกิดดับเร็วเปลี่ยนแปลงง่ายของน่าพอใจเดี๋ยวไม่พอใจแล้วไปเจออันนั้นเปลี่ยนอีกแล้วด้า น, นหลังนะครับเชิญนะครับบายด้านกลบเรียนฐานพระาอาจารย์ค่ะว่าการดูเวทนาที่ว่าดูสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยค่ะคือดูผ่าน ดูทางใจจดูทางใจดูทางใจเหรอคะเน้นที่ทางใจเน้นที่ทางใจแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเวทนาที่เกิดกับทางกายแต่นั้นจะดูไม่ได้ดูได้ดูได้แต่จะไม่ใช่เวทนานี่มีทั้งทางกายและทางใจใช่ไหมแต่ให้เน้นไปที่ทางใจเน้นที่ทางใจเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เจริญ สมาธิจนได้ฌานจะไปดูเวทนาทางกายดูยากมันจะทนไม่ก็ได้ค่ะคือเคยปฏิบัติในลักษณะที่ดูเวทนาเนี่ยแหะค่ะก็เข้าใจว่าพอเรารู้สึกว่าเราได้รับทุกขเวทนาแล้วถ้าเราเ อ, อเพียงแค่รู้ว่าเรากําลังทุกข์อยู่ได้โดยที่ไม่ ค, คือพอที่วางอุบเบกขาได้เ อ, อมันก็จะ คุดลากถองคนกิเลสเพรานั้นเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะนี่ไปทางกายใช่ไหมทางกายเนี่ยนะทางกายเนี่ยจะมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็มีเหตุของมันสามารถมองเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาได้เหมือนกันแต่จะดูได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องมีจิตที่มีสมาธิมากพอจิตที่เข้มแข็งอดทน มากพอพราะจะดูเวทนาทางกายเนี่ยมักจะเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ที่จะเห็น น, นะทางอาจารย์โกเอนก้าเคาได้ยินไหมอาจารย์โกเอนก้าเวลาสอนท่านจะให้เจริญเจริญสมาธิให้ได้ฌานให้จิตใจเข้มแข็งมากพอก่อนจึงจะเจริญดูเวทนานุปัสนาท่านไม่ได้ใช้คําว่าเวทนานุปัสนาโดยตรงแต่ใช้ให้ดูเวทนาผ่านตามจุดต่างๆของร่างกาย เคยไปเข้าคอสท่านอยู่ก็ตอนนั้นดูยากเราเราจริตไม่ได้เป็นแบบนั้นดูเวทนาทางกายดูยากเพราะมันจะต้องทุกข์ทุกข์จนจนมันหายทุกข์อ่ะจนทุกข์มันดับอะ่ะมันยาก